อยากจะทราบความจริงแต่ทำอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนี้ยพอใจที่จะจะพิสปฏิบัติเพื่อรู้ทำมันเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนข้ามสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบุบบุนไปได้เท่านั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญ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 ออกมาจากสมาทิสิสมาธิงอบโตเป็นผู้ชละในการเรยี่ยงทร่สัมมาสมาังกปุโยสัมมากรรมันโตทํทำการงานทอบอาจเะทออย่างยิ่งงานแก้ที่เหล็กเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติโตหขหงเราไม่ว่าครบไม่ว่าคารวาะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้ที่เหล็แ ล, ล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุด สมากัมมันตตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนยิเหลสนั่นแหละเชื่องานชอบประเด็นอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทําไม่ขัดกับธรรมารรมวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องอัดเรื่องธรรม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 เป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเหี้ยว่าสมากำมันตกคือการงานชอบธรรมาวาจา ก, กา็กลคราบลันธน า, าราโรคกันเรื่องการแก้ที่เหล็กธรรมาชิวเรื่องจิตชอบขอบรัมมันระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุ่นเป็นไายมาทําลายตัวเอง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 ไอ่ใช่สงบแล้วก็ตล่อยผิดกลุ่มเพื่อเหินไปตามนิมิตอะไรต่างๆเยมองไปดูสวรรค์ข้างธมั่งนี่มั่งไปดูนรกมั่งไปดูสวรรค์มงังนรกอยูในหัวใจไม่ยอมดูมผิดมาทิพย์ผิ ด, ผดในลบถลงลลงึงนังงง้นถึงนี่ไปเทียบดูไปวาดภาพหลอกเองไปเรื่อยๆมาดูครมาดีสวรรค์นั้นทัานนี้ท่านพรมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มี <laughs>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 องค์มาแปดนี้นี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเพื่อการแก้ที่เดชประเภทต่างๆทรานพุทธเจ้าพอดีสาวกทั้งหลายพอดีท่านดำเนิอนอย่างนี้เห็นมันขยายเอาไปทางคารวะาก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ยุเพศของเราเราก็แยกออกไปจังเป็นการงานชอบคืออะไรเราก็ทาการาบกันทํามาว่าชาวชอบคืออะไรก็ทาการาบกันไปแหละมีทันเรียกมัดขิน ม, มาคือถ้ำคลองอยู่เสมอเหมาะยิ่งนั่อนงอ่ะเหมาะสมอีู่ตลอดเยล่ะในยิ่ไม่ห ย, ย่อนในการ ทำลายข้าสึกคือทีเลตเหมาะสมพอดีพอดิบพอดีอดล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาแล้วมีกําลังแล้วเข้าไปจิดจิต่วงเดียวมาธิจิตทั้งมาสังโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่สแสดงตัวยอยู่ที่นี่สมาสติเหมือนกันสติรือรอบตัวอยู่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 เนอนก็นอนทํางานจนกรทั่งหลับไปทาํางานตัวแตกแขนยืดทำมาอาชีวะกับจิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเียวกับอาหารที่ถูกกฎธาตุขันของเราไม่เป็นพิษเป็นพายต่อร่างกายรับทานหนึงแล้วแม้จะเริ่มนับทานก็มีความสบาย แรสอร่อยแล้วทานแก็ไม่เป็นภัยมีความสุขกายนกายก็เกี่ยวข้างกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อในอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมพอแต่อดเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเหมอนล้วจิตก็จะมีความเรื่องขึ้นมาโดยลรรมะแล้วมีความชึ่งเย็นไปเรื่อยๆแล้วมีกําลังขึ้นทัฒนาในตัวเอง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 ทวามจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหีตปฏิโกเหมือนงประกาศข่าไทายรู้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ตากฏอยู่ภายในติดในภาในตัวถ้าดูไปแล้วต้องเห็นนะเอหิตท่านต้องดูมีมันประกาศอย่างนี้ความโลภความปวดความหลงความ โ, โ, โมโหโทโผมขึ้นอยู่ที่นี่ความดูความงามความเย่ความเย็นมันเกิดที่นี่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 ด้วยทัิปัญญาศัทธาความเชี่อนี้ฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงอันนั้นเรียกว่าเอหิปัิโกดูตรงนี้นั้นน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางตายหู้ า, า, ายต า, ยายหมุเริ้นกายใจน้อมเข้ามาสู่ใจกเหนดที่เจอมาเทียบเพียงกัน้ให้ได้สัตว์โดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางกันได้โด ย, ยนะ่า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 เขผ่าจะตัดตัดขึ้นในออกตัดส่วนใดหมอทั้งหมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่ผุดผีใส่ก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอํานาจแห่งความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่ถผุดผีใส่ผ่าตัดไม่ผ่าตัดม่าจะตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแหละความเป็นน้ําใจเ่วยดระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่อคนไข้ทราก่อนคนไข้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 รูอยู่กจะไปาตัดสปัญหาไม่นานสปาเป็นของที national. ่บริส e ุทธิ์ผู้เดอย่า uh, ตัดสนัญหาที่เด็กเนตัวอามยังตามยี่งปวทุนักนันจะก้าสามารถปวดรุปวฉาดจะผาตัดสปัญหาอะไรบอืงนั่นไม่เร็วกับาสัตน์ไปแล้วเหรอมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนการเรื่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปหังใจมันต้องมาคิด านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่มีพวกเราเย่ยนเข้ามาฮารตัวองเราพวกเราเนี่ยจะผ่าตัดชนะศาสนาภายในตัวของเราจะผ่าตัดที่ไหนผ่าตัดที่เลสจริงๆไม่ใชว่าผ่าตัดศาสนาโอ้ฝังทุกคนผ่าตัดที่เลสที่เลสนั้นแหละมันเป็นภายต่อติตกันของเราความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิดกันซึ่งาภายในเมา่อคิเลหสแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้น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 โดยนม่มีทางสงสัย น, นี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลโดยตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดที่เหลทันเราผ่าตัดที่ที่ไหนให้พยายามกันมันเะ็นโรคยืดหลังมานอนหลายภคล ะ, ละหลายภหละการหลายกลับหลายกัารสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจนารณาดูธรมมะพุทธฐานของโลกแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรม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 ใช่ใช่ไม่ถันว่านี่ทรมารยิเลศเรรดาตอนตอนมารยิเลศน้วเลงไงตลมารยิเลศยิเลศไม่ทรมารเราบ้างหรอมันก็เอาบ้างแตวาเราเอาบ้างมันเอาบ้างแล้วมันเอาจนขี้แตกห่ะนี่เอาคนนานาเอาขนาดนี้เราจะมาตอนบ่ายวันนี้นะไอยิเลศทรมาณเราแล้วมันเอา็นขี้แตก ให้เราทํารมานเขานิดหน่อยแล้วออกข้ามนยังไงแต่นี้แต่ว่านี่ยังมีนะวากันแายแล้วาแต่เฮ้ยๆหลอกว่าเราอยู่ภายในเราเราอยากขบขันมีหลายแง่นเนี่ยที่คุยทั้งเขาพูดค้างทั้งหลายด้วยไม่ได้หมายถึงน่าจะพูดเรื่องนิยมเยือนน่าจะยกอันนี้เป็นเหตุถ้าที่เนี้ยถ้าอะไรอยู่ด้วยกันนั้นเราได้ฟั ง, งหมดเรื่องขบขันไม่ด้วยกันหมดวันนี้เอาเ อ, าอ่ายอดย้อนไหลตลบครบทวนเนี่ย เรกพขันขันไปนนั่นแหละออกจากนั้นเนี่ยอาไปที่จีน่าอีกท่านตาลวันที่เหลือแล้ววันพร่นี้ท่าจะสดงี้อะไรท่านะตาละวันที่เหลือยังไงไม่ทราบตอนวันพรุ่งนี้ท่านสดนี้แล้วมันก็ไปบ่นอีกเราคิดเลยต้องยาวกันใช่ไหมอาคิดไปหวดนันแหละเวลาม่ได้คิดแล้วมันตายของมันเอยขอนั้นวันสรุปความที่วกนี้พวกที่เหลยอเหยียบ เราเป็นขี้แตะมันเหยียกตรงนี้ด้วยมันเหยียดตรนี้ด้วยแลนมี้าเยอะได้ล่ะเขามีจะมีองค์เยานี่แหละเราก็ว่างนั้นเราทาตานี้ถ้ามีมีองคเยานี่พอตลอดวันยุเรนลองนั้งเหมือนใคนก็แด้ออกมานี่นะเราทำตานี้ด้วยนะก็มีอง์นี้ดิวพอสมควรเราพูดอย่างนั้นมีองค์น <laughs> ี engineer, <ino> ้ที่อกค์พอสวนบ้างในวันนี้ทั้งหมดเราก็่างนั้น น่ากวัวรู้กิดมีตรนี้บ้างที่เห็นเราพอสมควนเพราะท่านตรลมที่เหล็กเจอก็ว่างั้นเลยตรงนั้นมีตะกบที่เหล็ดเยียบมันเลยรมามมันเงียบโอเยอะขี้แต่โยราตัวางขบขันทาน้าห้รเหนืออะไรกันแน่ <c oughs> ขำดีเราเวลาเราพูดอันต่างๆท่านมันจะเฉยโอ้โหท่านเอาการ <c oughs> ดูนหน้าตามงกัน้ากงการอยเหมือนกันเน่เอออย่างนี้กูยังมากน่าก็ยิ้มนิดนึงเพราะนั้นท่า น, น <c oughs> พูดดีคงไปงมาดีมากนะ เขามีหลายเงิ่นที่ตงตั้งมาตั้ทมาอยู่นี้เห็นไหมอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้อุวมพระตลาดนักในระยะนี้ประชุมก็ไม่นาเพราะวันหนึ่งนีราชเทพประชุมท่านนั่งอยู่นอง่าท่านหูหัวนี่เทพก็ไม่ได้ยินในวันหนึ่งจะเข้ามาคววนเี่ยทันปุ๊บป๊อบมาอะไร ผมขอโอกาสท่านอาจารย์ม่ได้ินเดียวผมรู้สึกจะอาัพว่างมันอาภัพอะไรวะนี่บอหัวเพว่อาจารย์เทศไม่ได้ยินเลก็ท่านตาภัพท่าทไม่อปฏิบัติตามเรื่องอาภัพเหรอก็มาไม่มาฟังใกล้ๆหรอวะนั่นสิวอีกบกันกงนั่นสิตาอไรท่านมาฟังใกล้หน้าท่านหูหัวนะ่มนอาภัพงยก็แค่สาภาพมันพอแก้ได้นี่ะอาัพอย่างนี้นะระหว่างนั้นนะ ไปท่านก็ภูพ่กลับไปตอนที่เข้ามาเนี่ยที่นี่พอวันประชุมมานหลังภูพ่อใจสมังไหนใจผมนั่งอยู่ไหน่ะนั่งที่นี่แหละราว่านั่งทานกันเนี่ยนั่งอยู่นี่เลยเพอาะรจจบเราเต็งไงได้ยินได้ยินท่านไหมออกทักวันนี้ทักประมาณนั้เข้าใจไปทุกวันทุกบายหน้า พอเข้าใจว่างั้นนะท่นก็พูดดีตอนพอเข้าใจนะ <c oughs> ก็แสดงเขาไม่ทุบทุบตุบะว่างั้นพอเข้าใจมัน ก, ก็รับกันได้นะ <c oughs> แต่ว่าองค์นี้พูดนั้นเราเอ า, เอาแน่มม่ได้เหมืถ้าไปดูอื่นพูดมันก็จะได้ความคัดเหมือนกันว่าพอเข้าใจนะ <c oughs> แต่องค์นี้พูดคําว่าพอเข้าใจเจ้มมาดอกไม้ผมว่าแปลไหนเราก็แปลไม่ได้อีกเหมือนกันคือแปลไม่ถนัดว่างั้นเดินนะน <c oughs> ่ <c oughs> าดูอยู่ฝั่งเป็นครูใช้คงไปคงมา ขายมันสำคัญติดกันอย่มากท่านอาจารย์มั่นเนี่ยท่านปฏิบัติต่อตนได้ทุกทุกขั้นนะที่ท่านท่านพูดกับพระองค์ที่องค์ที่เซร์ที่สุดนั้นนะท่านจะพูดแบบเซร์ที่สุดนั้นกันถ้าผมท่านจารมั่นคือเราเวลาเราฟังมันเราฟังนะฮะพูดกับพระองค์ที่เซอร์ที่สุด ชืที่สุดคือชื่อที่สุดเช่อที่สุ ด, ท, สดท่านได้พูมแบบชื้อและเชอร์ที่สุดเหมือนกันอื่เ้ากรเล่นได้ทุกอย่างใงานเล่นไรตก ท, ทุกทุกชั้งของจิตใจนิสัยวันหนึ่งก็มีโหนึ่งน้าน้าเป็นทางด้านบบาตรงตว่าตนช้าตอนดึผ่านนี่กับคนชื่อเหมือนกันคนนดี มันโคบอะไ อ, อเรื่องของป้อนสมองท่านไม่เคยสนใจอะแต่ท่านบอกคงจะพูดมีความหมายอะไอาจจะเป็นการทดลองทดลองดูเขาก็ได้นะพ้าท่านจะพูดก็จะชื่อกขาชื่อมีอคิดนี้ประมาณคือคนเคยบวชเป็นพระแล้วจึกระเขาเรียก <นะ S 1> คิดนะคิดนีวะครับประมาณหน้าอยู่ นั่นลวะมันมีข้าหมอมางไว้ละ่ะโห้ ม, ม, หมีไม่อดข้าหมอไม่กินไปไหมละ่ละโอ้เด็กเขากิกันทั้งโลกแลยครับบเขากินกันทั้งโลกเลยเท่านั้นแหละแลไปอกไปไม่เกิดนี่เองู่อันางนเขาอยอมเขายู้เรื่องวิสัยใหญ่เอาไปทมาสร้าคขึ ไม่าย um, ังไนยี่เาคอยููว่าคลิปเมเนี่ยแต่จเามาเมอกมาขาย้าอยู่นะถ้าเปเงาจะเอามาจะจะลิปเม่ของเราเนี่ยเขาก็ไม่ถึงใจ่ะไม่มีไม่มีแค่วัมาเลยถ้าจะว่าวาวันของวาย้างข้างทั้้อีกยู่ว่ากหมอมีอยู่ตรงไหนเนี่ผ่านว่างนย่าั้่าสาอย่างนั้น่าอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนั้นโอ้หนักจัเอมนั แล้วมันมีลูกก้อนไหมอ่ะมันไม่ลูกต้ อ, อนอ น, อ น, น, ออนี่ะะนะเพราะน้านี้ไม่ออกมลังเงี้ยเพราะภาษาก็เงี้ยต่อที่เาอืมตอนนี้มาดูท่านจะมาสู้เรี่องอยนะังท่านจะมาหน่นนนนนนนนนะที่ท่านเรืยกงคนเจริญ我也明白了ท่านอัศจรรย์แล้วเขาเรื่องอัศจรรย์พิจารณาอนเี่ขอท่านเราโอ้เราไม่กล้าหลังั้นนะ แล้ว้าอาจะเยีมเอง่นจะมั่นนะข้าไปหลายวันกันประมาณ็คือห้าวันเท่า้นไอ้สมอนี่น่ะไอ้ออะนะตัวนั้นเปี้ยมวมีไหมนั่นนะ่ะท่านหลายครั้งนั้นนะฮึ่มจนเปรี้ยวมันจนมันฝักฝักกลมกมไม่ดีอนะ่ะน่ะท่านท่าขยายมานนะ ไอตอนนี้เที่ยวเที่ยวฉันนี่ดีมีแม่โอ๋อมีแม่อดไม่เลยสามวันไม่อดเทีายวไหนเนี่ยไม่แต่คือตอนนี่ขยายมากนะใช่ไหมครับนักโราณคนเรานะออไอตอนนเคี่เที่ยวฉันนี่ดีหน่ะมีแม่มีไม่อดมีจะแม่อดอยู่เรื่อยเรื่อไม่เลิกสามวัน นี่ต้องมาเทสสเทสธรรมดาเนี่ยแะเท่ไปที่มาไปสัมผัสทป็เรื่องเนี่ยเ่คนคือคนเสิร์ฟนก็เลยย้เรื่องเนี่ยกระู้เรื่องการที่ทำนี่มานี่เรี่อี่ทนี้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 ผมปวดทั้งสามวันลรก็ได้ฟังทุกวันเน่ยเฮ้ ย, อยของท่านการเย็นๆเนีถามไปถามาน้ำซีตรงกบวันนี้ตจดก็เลยไม่ไม่เคยหมอจะมาถึงไม่เคยจะเอาให้หมอมาเลยยิงหายอย่างเี้ยแต่ไม่อดทั้งนั้นค่างค่างค่างที่สามค่างที่ ชักสุดนะสำหรับคนโง่ก็ชักรอาจารย์พราจารล่ามันนะอือนี่เป็อย่างว่านะพมันไม่ใช่คนโง่ถ้าไม่โง่เพถ้าไม่รพทยเสียงแพย์เก่าแล้วมันก็ไม่ถึงอย่างว่านอาจารว่าพทย์เ่าแพวยเสียต้องขดลงท่านนะนี่ะือความจริงเยี่ยมันนี้ใช้ท่านใช้มันโ้ตามไม่ทันนะไม่ใช้ท่าน ่ยวกับบุคคลนี้เป็นนาราๆาเลยไม่ห้าวะ่ะคนนั้นเป็นยังงนี้จะต้องเป็นไปแต่มันแต่มันแตนมันไม่มีสั้งกันล่ะฉันจะมาปฏิบัติกับคน <S <S คิดว่าโยวามสลาดแล้วคมรอบตัวนี่พอดนีน้องสาวมายืมด้น้องสาวล่าน้องสาวติดท้องด้วยคือติดท้องทงั้งหีิงทั้งชาคนนี้เป็นคนถิกท้องมานันถึอนะ่ะทีามาเยยบได้ยังไง พอมาที <ítulo> ่ศาลาเราถามเรื่องราวเลยทราบเรื่องราวแล้วคนมายี่ยมพูดภาษาเย็นทัน้องสาวคือน้องสาวมาเยี่ยมมาจกอื่นอีวันเลยว่างั้นสุคงอีวันหังนั้นมันตามมาแล้วแหละยังเหลือคนเยอะนิดละว่างบมาหังนัอีวันเลยว่างั้นอีนั่นอีนี่ธรรมดาต่างราณเราอย่างนั้น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 ที่พอน้องสากาว่าชิคพักหายเงียบเลยไม่ทราบไปไหนแปลกล้วเนะอาจารยวันเนี่อาจารยตรงนี้เวลาคู่กับน้องนี่โอ้โหคพูดหมายก็ว่าที่ว่าพูดแบบคาราะไม่ได้หมายถึงว่ายานะคือกิริยาชกิริยาเหมือนคาราะเหมือนพี่กับน้องจริงๆอยู่ในคเรือนกันว่างั้นโคเรนดียวกันคุยกันอยู่ในโครียนธรรมดาธรรมดาธรรมดากิริยานี่เปกิริยาที่กับน้องที่ไม่เคยบวชเลย านนี่นะสมาัติมืออ่านนี่มตั้งต่เตาเยอะด้านเนี่ยนี่พอน้องสาวเขาไปแล้วหายแล้ไม่เยอะึ่งจะตากดว่าขนาดเดียวเท่านั้นที่น้องสาวไปเยี่ยงกี้ยาเขาจี้ยาทคล้ากันในพเรียน้องท่านเนี่ยเราคุยกับน้องทำเป็นนี่แต่ก่อนเขาเคยปฏิบัติงนี้กับน้องะางีนี่้นาำใช้จี้ยามาใช้เพื่อมันเหมสกับน้องนี่เดี๋ยไม่งั้นน้องจะคิดอะไรต่ออะไรนี่มันจึงต้องเอาจีอยามาใช้เพื่อให้มัน เหมาะสกับน้อ้น้องมีความอบอุ่นมากอะไรอะไรทำนองนั้นน่ะเห็นว่าท่านฉลาดที่นี่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้ามีกี่องค์พูดถึงแต่ไม่เหมือนกันองค์นี้คงมาหาเป็นทั้งที่อยู่กับท่านมันเป็นประดามอุตานจะยื้อยาจะอาการนั้นการแสดงออกต่อองค์นั้นนั้นไม่เหมือนกัน คือคูอาจาย์าท่านเมืนกันเด็กครูอาจารย์แต่หาท่านอยู่ก็มายความผูู้อาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ใหญ่ทู้อย่ทีเป็นท่านการท่านอ่านี้ท่านขาวหรือใครอันนี้เป็นต้นอ่างนั้นอผมนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ผมนี้ไปจะเป็นผนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ผมนี้ไปจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไม่ซ้อไม่มีใครที่จะสามารถรับขายข้อทั้งท่าได้ ก็ท่านจำได้ร่าต่าา ก, ก่อนไมมีเทปสนุกมากกว่าตอนไม่มีแทปเยเดาาบามาเย่กันไห ม, ม, แ, มแต่ความจริงจะหาอะไรไปถวายท่านอันนี้ให้ลึกลับภายใ น, นทอการมาปกติอันมีสายเงนมีความรักท่านอมืรอะไรถูกคาสถูกผ่นท่านเรารู้มรุ้มหมดรามาเราก็ อยากให้โยมหาเอาของที่เราต้องการให้ทำนั้นทำนั้นทำนัให้เราไปเวลาจะไปให้ยมแม่ก่อนหรือก็ป่องมะขามมะขามขูบแล้วปอกเอาเม็ดมันออกด้วยออกเอาแต่เนื้อๆไปเราก็ต้องวนไว้ขวายทันโดูเฉพาะดยเฉพาะกับน้ําตาลอะไรเรืกอยๆน้อยทุกวันทุกวันให้ใครไปแกะกล้องน่ะยิ่งไปของแม่เราด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งหงงหงงคนเราเวรนั้นแหละ มันเข้าตัวเรื่องเหมือนเลยอืมเราให้เาดูการเนี่ยราะตอนนั้นมันพามันหายอย่างเนี่ยพอพาได้บ้านเนี่ยในบ้านที่เราคอเงเนี่ยห็นแม่ขอเป็นพระขาวเนื้อครบฝากถวายท่านการเรองนี้วาทนาที่เราจะไปฝากท่านหน่อเขาอขอฝังนี่ไปถวายท่านการ่างน แต่ทําก็แล้วแต่จมพ่าร็จทุมเร็จเท้าอพอใจทั้งนั้นขอได้ถวายท่านก็แล้วกันเลออกไปพระต้ก็ปราศเรียนท่านจตุคุาเพราะผ่ารนี้จะยมแม่สั่งมาถวายท่านการแล้วท่านการจะใช่ไงเมตตาจมยมแม่แล้วยมแม่เปนมูแม่เป็นที่พอใจจะจมานเสจท่มเรจเท้าอะไรพอใจทั้งนั้นขอท่านการเมตตาพอแล้วมาเอาผ้า โยมแม่ทำหาหนั้อนนะตัดทงที่นอแต่ทาเป็นที่นอนพอก็ดูท่าท่าที่ไปนั้นพอดีขึ่นอนพอทำงทานแล้วโอ้ยเราก็อยจะขหอโอโงฟ้าม่มี่ก็อยจะเหาะนั้นเราก็ดีลูกยมแม่อยู่อ่ะโอ้โพาเรนคบอะไรนะอปลี่วว่าข้าวหนึ่งทันทีทันไดเลยปกรากว่าก็ทำดัดแตนั้งเป็นที่นอนให้ท่าน ทังกานอนนั้นจงกระทั่งท่านมรณภาพวันมรณะภาพเขาก็มรณะภาพกันนั้นเลยคือเอาไปด้วยนี่ท่านไปโน้มเอาไปด้วยเราเขกับาผ่านนั่นนี่ว่าไงมันมีวันนียาอยู่ในร่านหนะอะไรตัวอะไรก็เรียกว่ตัองทั้งท่านมรณภาพก็นอนอยู่นั่นเลยมรณภาพที่กุ้งนั้นอ่าสุดท้ายแต่เวลามาเจอจรงอ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 ที่รางเท้าหนึ่งมันนอนยันใดมันตลอดพอพอสว่างแล้วก็หนีทุวันทุวันมันกํกำลังหน้ารักมันต้องรอบปีนแค่ปีนทะลุทุกวันหนึ่งพอนฝนมันจะปล่อยมานิดหน่อยเขาล่าอืออืออื้ออื้ออื้ีอื้่นออื้ออื้ออื้ออื้ออม้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้้นมานออ้ออ้ออื้้นมา้ออื้อ้ออ้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออืนออือ้ มอวที่น้าานอนทีนีคือขึ้นมาเนี่เป็นมันจะตัวมุกอย่างนี้หนึ่งเป็นจตัวมุกันไดขึ้นมาเ น, น, นี่นะมันมอมนอนแล้วผมันก็มาตกผุมพอกลังพอห ม, นอนอโมโเนเขาขึ้นมานอนทุกวันนอนงนั้ น, น่เขาคงจะคิดยังไงไม่ทราตอนพอเราลงไปเพราะหนึ่งพอเราลงไปหัน า, หาจมาเราสูบเขาขึ้นมนันก็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 มึงเขนอนทำสมายอยู่นี่น้าแหวมกูไปนี่ก่อนกูไปก็กำบองดูแล้วก็ลงก็คุยกับท่านจามา้งปลุกตมาที่ไหนได้ที่นั่งเรามีมีอาสนะมีอะไรเนี่ยคขาขึ้นไปนั่งมันจะนอนบนอาสนะโถแหวมทำไท่านถุนั่งก็กระโดดลงเราก็ทาไมก็อะไรเแราะตระเวนแหวมถุงนังวันนี้เขาก็พูดว่าเขารูกผีเหมือนกันที่นี้ พอเห็นเราไปทำไมแหวมมันแข็งถุงรางวัลนี้ฟุ๊กมาเลยมาที่นั่นอย่งเราว่าอะไรเขาก็คงคงไม่ผิดคงว่างนั่นน่ะ น, นะถ้าเป็นไทยเรานี่คงไม่ผิดว่านะไทยฟังมาดีนะให้ <c oughs> ว น, นน้ำอีกแล้วก็ไปหาใจมาจหาตุกแตงนี้ประตูเราให้ปิดเราลองอะไรลองอะไห้อง เขาเดีอยแหวมือป <laughs> ั Gonna, t t t ๊บพลมาม้ว้าพลมามุกอัศนของท่านจันมันราว่าทานนมั่นเลยไล้วมองเห็นตาตาใสแก้วมมาแล้วป๊ปัออกมาคว้ดอหางดึงว่าถึงแล้วฝนมือใสจะตุ๊ึงงได้ป็นเงี้ยวแวโดดล้มไปเยอหลังมาที่อี้อยู่เงี้ยฝตกอี้อ้ตามเถอวันนี้ไม่เอายามเอายื่งวันนี้เาก็ไม่นอนต้ถินอ่ะคือใต้ถึงนไม่ใช้่นใคะิ่น เลยบนได้กขามาไม่นอนเวาฝนตงนะ้างขอันนั้นเราเราไม่ไม่เขาขึ้นเดี๋ยวเขาจะปีขึ้นขื่ออยาหลังเรากลัวเขาตกตายอม่ใชหรือครับผมหมูน่ะแยมกรณีปุ๊บปุ๊บทะลุสทธาคือแยมที่นอนท่านจันมั่นน่ะมีแยมนป้นทะลุสิดน้ายให้ห <c oughs> ้องนี้นะ ี่อสองมัหาไม่รู้เพราะมันม่เก่าแล้วเนี่ยเพราะมันสนต่อมในเดือดนก่ยข้ามมาเ้ามันก็หลายทีอ่ะท่ามันคงะขาดถ้าเราทลองเมตตาจริงๆผู้ที่องทันเมตตาของเนี่นนออะ